ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากบาวิทไลศีปทุมกำ บ, บังนำเสนอพระสูตรในสังยุตติกายก็อสืบต่อกันมาถึงพระสูตรที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่จึงเรียกว่าพระสูตรที่หนึ่งที่สองที่สที่สอ ง, สสองเรียกว่า อติญาชนะสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยการเกิดหรือคนที่เกิดมาสูตรที่สองและตัิญาติชนะสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยเหตุและคนเกิดข้อความมีลักษณะเดียวกันแต่ว่าคำถามค่อนข้างแตกต่างกันนิดหน่อย ผลพระสังกีติกาจารย์จึงนํามาลงไว้แต่ว่าในที่นี้จะไม่อธิบายเพราะาอธิบายไว้ในวันก่อนแล้วแต่จะอ่านให้ฟังเพื่อเป็นการเสริมเติมความเข้าใจที่พูดไว้ในพระสูตรก่อนเทวดากรับทูลถามว่าอะไรหน อ, อย่างคนให้เกิดขุเจ้าระสั่งวัตถนาอย่างคนให้เกิดอะไรหนอเป็นของ อะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพร่านจิตของเขาจะมิ่งพร่อะไรหนอเวียนไหว้ไปยังสงสารสัตว์เปลี่ยนไหวยไปยังสงสารแล้วก็สัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากอะไรสัตว์ย่อมไม่หลุดพ้นจากทุกข์คือหมายความว่าการเป็นสัตว์เนี่ยแปลว่าผู้คล้อง ่สิ่งที่เป็นเหตุแต่ข้องก็คือกิเลสกิเลสก็เป็นเหตุแต่เกิดทุกข์เพราะงั้นพวกนี้ยังไงยังไงก็แยกกันไม่ออกมันเมือนก็ไฟกับความร้อนแยกกันไม่ออกวันกิเลสกับทุกข์เนี่ยแยกกันไม่ออกแต่มีกิเลสก็ต้องมีทุกข์ถ้ามีทุกข์ก็แสดงว่ามีกิเลสเีนแตมากน้อยก็เป็นรายละเอียดประสูนต่อไปเทวดากราบทูลถามว่าอะไรหนอยอย่างคนให้เกิดเหมือนกันนะฮะ รับสั่งวัตานาอย่างคนเกิดอะไรหนอของเขาย่อมวิ่งพร่านจิตของเขาย่อมวิ่งพร่านอะไรหนอเวียนว่ายตายเวียนไว่ายไปในสัง่งในสงสารสัตว์เวียนไว่ายไปในสงสารอะไรหนอเป็นที่พึ่งพานักของสัตว์นั้นประเด็นนี้ต่างกันพยาับสังวรกรรมเป็นที่พึ่งพานักของสัตว์นั้น หมาความการกา ร, การกระทำของเรานั้นจะเป็นที่พึ่งของเราจะเป็นเหตุเราได้สุขได้ทุกเนี่ก็ไม่รู้แหละก็อยู่ที่การกระทำของเราเองอย่างที่พระอาจารย์ทรงสอนให้เราสาธยายถึงเรื่องกฎแห่งกรรมว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย แต่ทำการมันได้ไว้จะดีหรือชั่วก็ตามเขาจะต้องเป็นผู้รัผลกับนั้นแอ้นี้เราก็เจออยู่บ่อยทีนี้พระสูตรต่อไปเนี่ยแปลว่าอุปัฏฐตสูตรคือสูตรที่เกี่ยวกับผลทางะนะครับปฐาก็คือผลทางถนนนนททางทั้งหลายเนี่ย เทวดากราบทูลว่าอะไรหนอบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดพระเจ้ารับสั่งว่าราคะบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดทีนี้ท่านฟังลองสังเกตนะว่าคำว่าราคะนี่คือตัวแทนของกิเลสทั้งหลายซึ่งหมายความว่ากิเลส เ, เป็นทางผิด จะเป็นราคะจะเป็นโลภะจะเป็นโทสะจะเป็นโมหะไม่รู้วทางผิดทั้งนั้นแต่ทางผิดที่เราคุ้นๆนี่คือพิสาทิจพิสามักนะะมันก็มาจากความเห็นผิดความดำรีผิดแล้วก็พูดผิดประพฤติผิดเลี้ยงชีพผิดพยายามผิดระลึกผิดจิตตั้งมั่นไว้ในทางที่ผิดผิดไปเป็นแถวไปเลย ทนี้ไอ้ตัวที่เป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนผิดเนี่ยก็คือที่เรียกวิฉ า, าทิฏฐิเนี่ยมันก็เป็นอาการของโมหะแล้วก็ค่อนข้างจะมีโทสะมีโลภะประโณดูนะฮะเมเราย็นว่าผู้ที่เห็นผิดก็เข้าเจอตัวเองเห็นถูกมันก็เป็นอาการของโมหะแล้วก็อยากให้คนอื่นเห็นอย่างที่ตัวเห็นมันก็เป็นอาการของโลภะ และไม่ชอบคนที่มีความเห็นแยงมันก็เป็นโทสะย่อวันก่อนดูข่าวที่เขาไปทบทวน ร, ร่างรัฐมนูลกันอยู่ที่พัตยาคือร่างในเขาร่างเสร็จมาแล้วตั้งแต่วันที่หกนะครับก็คงไปพิจารณาทบทวนกันว่าจะแก้ไขเพิ่มเติ ม, ตมอะไรอย่างไร ก็ดูข่าวอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตคือมีพระวันนั้นรู้สึกจะเป็นจังหวัดระนองระยองก็มาขอร้องบรรจุข้อความว่าพระพุทธศาสนาป เ, นเป็นเป็นศาสนาประจำชาติลงไว้ในรัฐมนูญแล้วก็สรุปว่าพระภาคตะบันออกมาทุกวัน วันแรกเนี่ยตัวประธานโสส ร, ส ร, สรนี่ค่อนข้างแข็งกร้าวประธานอนุกข์คณะคณะกรรมการร่างยกร่างรัฐมนูลนี่แข็งกร้าวไม่ยอมไม่พบพระ่าจะขึ้นไปพบบอกไว้ขึ้นไปองค์เดียวพระไม่ยอมจะขึ้นไปทั้งหมดผู้กำกับตํารวจเดือดร้อนเลยทีเนี้พระหาสี่ห้าร้อยนี่ขึ้นไปก็ยุ่งกันหมดแหละเลยก็ต้องเอาลงมา ลงมาก็ดีนะฮะก็ควบคุมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดีประกอตพอรุ่งเเช้าลงมาหาพระเองนั้นคือแสดงเห็นว่าคราวคราวแรกในทันเห็นผิดในเมื่ออำนาจระดับไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระท่านก็เป็นเจ้าของอำนาจระธิบไตยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องที่จะขอร้องที่จะต่อรอง เพราะว่าเวลาเขียนรัฐธรรมนูนมาแล้วมันกระทบกระเทือนถึงพระนะการกีดกันพระไปสารพัดเนี่ยมันไม่ได้หรอกอพระก็คือประชาชนพระไม่ได้เทวดามาจากสวงสวรรค์นี่นะมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่เราจะต้องสนักแต่เราจะต้องเข้าใจพอเข้าใจแล้วเรื่องมันมจะง่ายแต่ถ้าม่ยอมเข้าใจเนี่ยมันก็เรื่องจะยุ่งยากไปเรื่อยๆแหละ เพราะงาั้นเราจะเห็นว่ า, าตรงนี้มันก็นำไปสู่ความเห็นผิดแต่ว่าเกิดสำคัญว่าตัวเองเป็นเจ้าของอธิปไตยมีสิทธิจะชี้ต้นตายปลายเป็นยังไงก็ได้คนแค่สามสิบผ้าคนเนี่ยนะเขาจ้างมานะฮะแล้วก็ได้เบีย้ยเลี้ยงด้วยก็จ้างจากภาษีของราษฎร ซึ่งเป็นเจ้าของอำ น, นาจอำ น, นาจลธิไปไตยจริงๆแน่นอนเขาก็เป็นด้วยประกอบเป็นราษฎรด้วยแต่พระก็เป็นด้วยพระก็เป็นราษฎรด้วยคือไม่ใช่ปฏิเสธใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้หรอกราคะเป็นสภาพจิตที่มีความกําหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นความสุขทางเนื้อหนังความสุขทางประสาทสัมผัส หาความสุขต่างตาหูจะวงลิ้นกายใจที่รู้เสียงกลิ่นรสโปรตพาธมารมมเป็นโลกของกรรมมรรคอย่าเน้นที่เรื่องของกรรมมรรคเพรา ะ, ะนั้นเราสังเกตว่าชีวิตชาวบ้านน่ยจะทะเลาะ ก, กันเพราะกามเป็นเหตุแต่ว่าพระเนี่ยจะขัดแย้งกันเพราะความเห็นเป็นเหตุแล้วก็ผิดด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละ หมาความวาการก็แสดงเวลาฆาโลภะความเห็นไม่ตรงกันก็แสดงว่าเป็นความเห็นผิดแล้วก็เป็นอาการของโมหะคือบางครั้งบางคราวเนี่ยค่อนข้างจะจะสีเรียดบางทีก็ว่าสีเครียดวันก่อนไปบรรยายในที่แห่งหนึ่งมีอาจารย์อนะพี่ตามท่านหนึ่ง โยมตีหมอคนหนึ่งนะฮะว่าไปเขียนว่าวันอสารหาบูชานั้นเป็นวันที่พระอัญญากัญญะได้บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์คือเราฟังปั๊บนี่เรารู้ว่ากรูมันผิดเพราะคนเขียนไม่รู้แต่ว่าคนตรวจไม่รู้ว่ามันผิดแล้วก็ท่านผู้นี้ก็เป็นนายแพทย์ใหญ่เขาก็ไม่มีเวลาไปนั่งตรวจอะไรหรอก ก็เกว่าถูกโอแก่ว่าจะเสียหายเลยซึ่งเราควังปับ๊บเราต้องรู้ทันทีเลยว่าปลุกมันผิดไม่ใช่เขียนผิดหรอกเพราะท่านผู้นี้เป็นนักการาศาสนาคนหนึ่งที่เก่งมากมีความรอบรู้เรื่องาศาสนาลึกซึ้งมากแล้วก็สนใจใส่ใจในกิจกรรมทางาศาสนาสูงนั่นก็คืออะไรก็คือโทสะเอ็มให้เป็นทางผิด คือข้อความเนี่ยมันบ่งบอกมันบ่งบอกให้เห็นว่าเขาไม่ได้หมายถึงพระโสดาบันหรอกเพราะตอนนั้นเขาไม่เรียกพระโสดาบันเลยท่านไปแล้วไม่เรียกพระหานเลยทํานไปแต่เขาเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมรเพราะะนเพิ่งเรียกโสดาบันเนี่ยเราเรียกตอนพระยศรรก็เรียกตอนสี่องค์นะก็เรียกนะฮะแต่ว่าเป็น ข้อความที่ซ่อนอยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ยังใช้ดวงตาเห็นธรรมที่ว่าโสดาปฏิผลจริงๆก็พูดที่พระยศกับพ่อของพระยศมันเป็นสารที่ใช้สื่อซึ่งโอกาสที่จะผิดมันก็มีได้แต่ว่าเราก็ต้องมองกันด้วยการให้อภัย ไม่ได้มีเจตนาก็คือไม่ผิดแล้วเราอ่านเนี่ยเราเรารู้ว่าผิดนี่ก็แสดงเราเก่งแต่เราไม่รู้ว่าผิดเนี่ยก็แสดงว่าเราก็ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะั้นเราเราจะพบว่าทางผิดหมายถึงกิเลส ท, ทั้งหลาย กิเลสบางอย่างมันแรงมากนะโลภโพธรร ม, มนังปริปันโทความโลภเป็นอันต ร, รายของธรรมทั้งหลายคือทุกเรื่องอะ่ะถ้าเอาโลภเข้าไปยุ่งแล้วก็ยุ่งทุกทีเลยปัญหาในบ้านในเมืองในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาอย่างธรรมกรนที่มาเอามาพูดบ่อยๆคือมันก็ชอบอ่ะนะ เป็นคำที่ได้ยินเมื่อบวชพรรษาที่สามไปเทศกับพระองค์หนึ่งชื่อท่านขับเทศคู่แล้วท่านก็ยกประโยคนี้ขึ้นมาอามาก็นั่งคิดต่อเออเข้าใจคิดนะมันคลุมพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์ที่อยู่โดยโลภลงหลวงพ่อโสารมหะบอกว่าแยกอาหารกันกิน ในขณะแย่งเนี่ยด้วยโลภะด้วยโมหะแล้วก็พร้อมจะโทสะเมื่อแย่งไม่ได้ก็พร้อมจะโศกะพอแย่งได้เพื่อนมาแย่งก็พร้อมจะเกิดโทสะแย่งทิ้กันอยู่มันก็เป็นโลภะกับโมหะแต่นี้ถ้าคนอื่นยินยอมมันก็โลภะเพิ่มแต่คนอื่นขัดขวางก็โทสะเกิดแย่งคู่กันพิศวาสมันก็เหมือนกันนะจนถึงก็ฆ่ากันตายเกลื่อนบ้านเกิดเมือง หมายความถ้ามีการตอบสนองก็เกิดโลภะต่อแต่ไม่มีการตอบสนองก็จะเกิดโทสะหรือเกิดโศกะแยกอำนาจกัน เ, เป็นใหญ่อันนี้เห็นได้ชัดเลยอย่างประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูเราเคารพความจริงนะฮะเราเคารพความจริงว่าในปิติทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยเนี่ยมันก็คือแย่งกันทั้งหมดแล้วละ แย่งอาหารกันกินแย่งทิ่นกันอยู่ย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกันเป็นใหญ่แต่มาจะมองไปมองมาไ้ที่จริงในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่สองพรรคพรรคราชการกับพรรคราษสรแล้วก็ราชการจะได้มากกว่าราษสรทั้งๆ ท, ที่คนจำนวนไม่ไม่เกินสองล้านนะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อยู่ในเครือทหาร ประชาธิปไตยเราเจ็ดสิบห้าปีเนี่ยมันก็มีทาหารปกครองส่วนใหญ่ที่จริงคนเหล่านี้ก็คือพักราชการแล้วก็ไม่ใช่วิธีการประชาธิปไตยหรอกคือที่จริงการเลือกตั้งเมื่อครั้งสุดท้ายเนี่ยนะฮะมันมันบ่งบอกอะไรเยอะแต่คนไม่วิเคราะห์คือเราเห็นว่าข้าราชการระดับนายพลเอกคนไม่เลือก แต่ก็แปลกที่ว่าตำรวมดมายเยอะหรือมานั่งเช็คตัวเลขเออแปลกแต่ใดความโน้มเอียงทสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงจะเพราะเหตุอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ได้ไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยอะไรแต่ว่าไปเ ป, เป็นข้อที่น่าสังเกตนั้นก็คือที่จริงก็คืออาการโครพ า, าโทสามุหะอยากได้อยากมีอยากเป็นมันก็ทางผิดท่านนั้นแหละ ตกลงว่าเป็นโดยวิธีทางที่ไม่ถูกต้องพอทำในทางที่ไม่ถูกต้องพอเป็นก็เป็นในทางที่ไม่ถูกต้องใครจะว่าถูกต้องมันก็พูดเราเองเพราะว่าการปกครองบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่ระดับกฎหมายปนานัญหาสำคัญว่าในขณะที่เราทำอย่างนี้กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไง คือถ้าผิดก็คือผิดผิดกฎหมายแต่ส่วนที่ถูกก็คือถูกอะแต่ถูกตามกฎหมายแน่นอนในแง่ของกฎหมายเนี่ยก็ต้องให้ศาลสูงสุดตัดสินไปก่อนแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันตัดสินไม่ได้อย่างปฏิวัติ ร, รัฐประหารอย่างเนี้ยมันก็กลายเป็นองค์รัฐธิปัตไปเลยเป็นรถถัฐธิปัตสามารถจะเยาสั่งโดยคนคนเดียวสั่งให้ ทำอะไรก็ได้มันก็เป็นทางผิดเราก็เดินจุดเดินทางจุดเทียนเบียนบนอยู่เนี่ยเห็นไหมที่จริงมันก็อยู่ในแวดวงราคาโลภะโทสะโมหะการทุจริตคอรัปชั่นทั้งหลายการค้าขายของสิ่งเสพติดของเถื่อนอาวุธสงครามอะไร ต, ะะไรต่างๆก็เกิดจากโลภะโมหะโดยทางผิดเท่านั้น ทีนี้ทำไมท่านจึงใช้คำว่าบัณฑิตเพราะจะเอาคนพาดมาอนิยามเอาเอานิยาย ไ, ไม่ได้ก็เราจะลืมว่าในแวดวงของคนพาดเนี่ยเขาจะพูดอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องที่บัณฑิตเขาพูดเนี่ยเช่นสมมติว่ามือปืนทั้งหลายเวลาเขาไปชุมกันเนี่ยเขาจับกลุ่มคุยกัน ก็จะถามว่าเป็นงานเดือนนี้ได้กี่งานมายควา ม, มาฆ่ามาลดกี่ศพบอกใครได้มากเพื่อนยกนิ้วโป้งให้เลยเห็นมะเป็นทางถูกไปเลยเป็นทางถูกไปเลยในมูอคนผ่านหรือพวกไอ้ธุรกิจขายบริการทั้งหลายมันก็จะถามกันในลักษณะอย่างนั้นใครได้มากก็ถือว่าเก่งเพราะฉนั้นตอนจริงใช้คําให้แน่นอนว่าบัณฑิตว่านะไม่ใช่คนผ่านว่านะ คนพานถือว่าเป็นประมาณไม่ได้หรอกแต่บัณฑิตว่าอย่างไงผู้เจ้าก็รับสั่งว่าราค่าบัณฑิตกล่าวว่าเป็นทางผิดแล้วถามว่าอะไรหนอสิ้นไปตามคืนและวันรับสั่งว่าวัยสิ้นไปตามคืนและวันวัยะก็คือความเสื่อมนะที่จริงวัยะเนี่ยคือแปลความเสื่อมที่เราเขียนเป็นวัยนะฮะจะเริยนวัยอะ ที่จริงเป็นความเจริญที่ปรากฏความเสื่อมที่ปรากฏในรูปของความเจริญมันไม่ใช่เจริญจริงอพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าวัยเนี่ยมันก็ไปตามการเวลาของมันเป็นความยุติธรรมที่โลกได้รับสุดๆหมายความมาคนแต่ละคนแก่กันคนละ เท่าเท่ากันวันหนึ่งวันหนึ่งนะแก่กันเท่ากันวันหนึ่งยี่บี่ชั่วโมงก็แก่กันคนละยี่บสี่ชั่วโมงอะ่ะแก่มากแก่น้อยขึ้นอยู่กับแก่นานหรือว่าเพิ่งแก่อันเนี้ยคือมันก็สิ้นไปตามคืกแล้วว่าโบราณเนี่ยท่านมีคำทายมียักษ์ตนหนึ่งหน้ามีตาสองข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งดิปรีมีฟันไม่มากปากกับสาสบี่ กินสัตวโทปัตตพียักษ์ตนนี้คือใครก็คือประกาศก็คือการเวลาหรืออยันที่เคยเล่าเนี่ยยันที่เคยเล่าว่าปไปไม่กลับหลับไม่ตื่พื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยไปไม่กลับก็คือการเวลากับวัยของเราเนี่ยมันมันมันไปแล้วไปเลยเราก็ไม่มีย้อนหลังอย่างอายุขนาดอามาเนี่ยก็ถือว่ามันมีตดับไม้มีเกิด รับระดับะไปเรื่อยๆเลยคล้ายๆกับน้ำตกมาจากที่สูงก็ไม่มีน้ำยอดกับไอ้ น, นี้ ก, ก็คือก็คือความจริงของชีวิตทั้งวางเราสังเกตนะข้อแรกเป็นสมุทัยศัสตร์ข้อที่สองเป็นทุกขัสตร์ หรืถ้าเราหัดคิดถึงอริยสัจไว้เราจะเจอว่าต้มน้ำมดก็เป็นอริยสัจเห็นที่ทรงแสดงโดยปริยายได้ทนี้วัยสิ้นไปผ่านไปเนี่ยถ้าวิธีของพุทธสาวกเนี่ยท่านจะสอนว่าสุภบุษฐานบุษจันติสดาคโคตะมาสาวกาเยซังนิวายะระโตจะนิจังปัจจลิเสตสติสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพผู้ตื่นแล้วตื่นอยู่ด้วยดีแล้วตื่นอยู่ในการทุกเมื่อเราะการใช้ชีวิตในลักษณะรู้เท่าทันยานที่ทรงสอนให้พิจารณาว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพรพากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปไอันนี้เป็นสัจธรรมนี้รัน มันจริงอย่างนั้นแหละมันจะกระตุ้นเตือนให้คนอยู่ด้วยความไม่ประมาทควา ม, ม้ว่าก็อยู่อย่างมีสติอยู่จะมีสติก็อยู่อย่างตื่นตัวสติโลกะกสมิชาคโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นด้โลกเห็นไหมเราพูดถึงทุกข์กัตริย์แต่ให้มองตัวทุกข์ัตริ์โดยมิติของมรรคกษตัตริ และในขณะเดียวกันก็เห็นโทษของความประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคซึ่งเป็นตัวสมุทัยสัตว์แล้วก็พยายามปฏิบัติพัฒนาตัวเองไปบนเส้นทางของมรรษสัตว์แก่ก็แก่แต่ว่าแก่ทานแก่ศีลแก่ภาวนาแก่ความดีไม่ใช่แก่เฉพาะเนื้อหนังมังสาหรือแก่แบบโคตรเนื้อหนังมังสามันจเจริญ ม, มันโตขึ้นทุกวันแต่ว่าปัญญามันไม่จเจริญ บนมนุษย์ด้วยมันต้องปัญญาเจริญด้วยก็ต่อไปเทวดากรบตูลถามว่าอะไรหนอเป็นมนติมของพรหมจันทร์อันนี้ทั้งฟังลองสังเกตผู้หญิงส่วนหนึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่พอใจการที่พูดว่าผู้หญิงเป็นมนติมของพรหมจันทร์เนี่ยผู้หญิงบางคนก็ไม่ชอบก็เขาดูหมิ่นเขา ความจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละหมายความว่าการประพฤติพรหมจรรย์คืองดเว้นจากการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นพรหมจรรย์ตัวหลักแล้วถ้าผู้ชายคือเทวดาเขาถามนะฮะถ้าผู้ชายไปคลุกคลีอยู่กับผู้หญิงแล้วมันจะรอดพ้นไม่ได้ยังไงแต่ถ้าภิกษุณีถามหรือเทพธิดาถาม ว่าอะไรเป็นบนดินของพระมรันจันทร์พระเจ้าก็จะตอบว่าผู้ชายเป็นบนดินของพระมรันจันทร์คือบางครั้งบางคราวเราต้องสาวถึงที่ไปที่มาว่าคำคเนี้ยผู้กระใครประโยก่์เ น, นี่ยว่ายว่าว่ายังไงมันไม่ใช่ว่าเอาตัดตอนมาพูดแต่วิญญาณก็จึง ต้องยอมรับนะฮะว่าสมมติว่าตนนักสะสมแปดแต่ว่านอนอยู่บนเตียงเดียวกับสามีอยู่ไหวเลยเว้นไว้แต่ว่าสามีระกษสินสิแปดด้วยซึ่งก็แต่ละคนต่างควบคุมความอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้ตื่อแม้พรห ม, มจันทร์เศร้าหมองราะคนก็ตัดจะก่เกินแยกแยกข้อนอนก็ไปเสีย อันนี้เป็นความจริงที่ที่ที่ไม่ใช่ดูหมินอะไรใครหรอกมันเป็นกฎมันธรรมชาติแน่นอนปัจจุบันเรามีเพศอะไรแปลกๆขึ้นมาเนี่ยที่เขาเรียกว่าเพศที่สามอะไรก็ตามพระเจ้าทรงสแสดงว่าพระองค์มองไม่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เกิดขึ้นแก่ผู้ชายแล้ว ครอบงำจิตผู้ชายนั้นตั้งอยู่เกินไปกว่ารูปเสียงกรียนรสสัมผัสจากผู้หญิงในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่เห็นรูปเสียงกรียนรสสัมผัสของใครที่จะเกิดขึ้นครอบงำใจของผู้หญิงได้ถ้าก็รูปเสียงกรียนรสสัมผัสของผู้ชายมันก็จริงอ่ะเราจะไปเศษอะไรไม่ได้ทําให้เกิดระมัดระวังตอนนี้นเกิดระมัดระวังว่าถ้าเราจะประพฤติพรหมจรรย์ของเราให้บริสุทธิ์เนี่ย ต้องระมัดระวังเรื่องนี้มากรเราเห็นว่าวิธีการของพระที่พระเจ้าทรงวางไว้เนี่ยมันปิดกั้นโอกาสเลยแน่นอนปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ในสังคมที่มันมันก้าวไปข้างหน้าเยอะมากแต่คนในประเทศไทยยังพอพูดกันรู้เรื่องนะฮะยางเข้าใจอะไรเป็นอะไรยาตมาที่กุติเนี่ยเราก็สั่งเด็กไว้เลย มีคนมีแขกผู้หญิงมาเกือบจะล็อกประตูปกติ่าแขกผู้หญิงมาเรากดออดเรียกเด็กก่อนแล้วทโยมเข้าไปก็เด็กก็นั่งเป็นเพื่อนทะยมม่เข้าไปก็ก็ก็อยู่ข้างนอกเราก็ยืนอยู่ที่ประตูก็คุยกันจบธุระแล้วก็จบไปคือเราอาจจะไม่มีอะไรโยมเองก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคนเขามอง คนก็มองก็จะเกิดเครื่องแปร่งสงสัยก็จะเกิดดูถูกดูมิน่นเาได้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะตรงเนี้ยที่เราพูดถึงว่านารีพิฆาตเนี่ยคนก็ไปคิดว่าเอาผู้หญิงเป็นมือสังหารบ้าง อ, าอะไรมันไม่ใช่อะ่ะมายความว่ า, าการที่จะทำลายผู้ชายเนี่ย เรใช้ผู้หญิงทำลายเพราะว่ากฎธรรมชาติอย่างหนึง่งว่าสิ่งที่แข็งที่สุดต้องทำลายด้สิ่งที่อ่อนที่สุดนั่นเป็นกฎมันเลยเอาแข็งกัแข็ ง, ขงมาทำลายกันไม่ได้ต้องเอาอ่อนกับแข็งหรือว่าการตีเหล็กเนี่ยเราจะเห็นว่าเหล็กกระเขานี่ยก็แข็งพอๆกันแต่เพื่อจะทำเหล็กให้มันเปลี่ยนแปลงก็ต้องทำให้เหล็กมันอ่อน นะจึงจะตีมาได้แต่เรื่อมันยังแข็งดูปก็ตีไม่ได้อั น, นี้ก็คือคือเรื่องกฎที่มีอยู่เป็นอยู่แต่ไม่ได้หมางความว่าทุกอย่างจะต้องอ่อนเสมอไปอย่างในกรณีของเราฉีดน้ำทำลายภูเขาเนี่ยเหมือนแร่ทั้งหลายนี่ก็ฉีดภูเขาเลย พังลงมาเป็นเขาๆ เ, เลยน้ำอ่อนนะภูเขาแข็งแต่ว่าภูเขาก็พังเพรา ะ, ะน้ำหรือไฟอ่อนเนี่ยพอทาลายเหล็กได้อันนี้เป็นเรื่องตัวเรื่องที่ต้องระมัดระวังจนขนาดาพระอานนท์ท่านปริวิตร ก, ก่อนพระพุทธเจ้าจะนิพพานนแทนที่จะเป็นห่วงเรื่องอื่นไม่ห่วง วุ้งาต่อไปในจะวางตัวกับผู้หญิงยังไงดีจะรับสั่งว่าถ้าไม่ดูไม่เห็นเะเลยก็ดีหรอกจะถามว่าถ้าจำเป็นต้องดูต้องเห็นต้องได้ยินทนยังไงวาก็อย่าคุยได้ก็ดีถ้าจำเป็นต้องคุยจะคุยให้เป็นหนัดเป็นธรรมคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วคุยไม่นานเราค้นอ่ะจะมันคุยอยู่ได้นานเราคุยเรื่องราสารคุยเป็นหลักเป็นฐานเป็นหนัดเป็นธรรม แล้วที่จริงเป็นเรื่องขมน่าคิดมีคนบางทีเขาก็มาเพื่อจะถามปัญหาอะไรโดยเฉพาะเราฟังแล้วเราก็ชื่นชมเออเขามีวิธีคิดเขามีวิธีมองเขาก็ใจถามซึ่งบางทีพระเราเราอยู่ในวัดเราก็ไม่รู้เรื่องเราร่องอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามขึ้นมานี่เรานึกถึงธรรมาได้นึกถึงธรรมะได้เอออย่างงี้มันทํามาว่าว่าอย่างนั้นอย่างนั้น อันนี้ก็เป็นเรื่องแน่นอนทีนี้เราจะเห็นว่าตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นทุกข์สัตย์เป็นสภาวะธรรมที่เกิดแก่ตายมาจากความเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแต่ว่ากิเลสที่อยู่ภายในใจกิลดกิเลสที่อยู่ภายในใจเนี่ยทาให้ทุกข์สัตย์กลายเป็นมลชิน หมายความรูปร่างกายในที่จริงมันเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นตัวทุกข์สัตว์มันไม่เป็นปัญหาในตัวของมันหลอกแต่ว่าใจเราไปกำหนดมันก็เกิดกำหนดแล้วก็ถูกล่าห้เลื่อนไหลไปตามกระแสของอารมณ์เรานั้นอิทธีมาลางพรมจริยศผู้หญิงเป็นมณฑินของพรุมจันทร์รับสั่งถามว่า อะไรหนอไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชาระล้างอ๋อทรงกยะยายปอีกนะรัหมู่สัตว์นี้ย่อมติดอยู่ในหญิงนี้หมู่สัตว์ในที่นี้หมายถึงผู้ชายนะฮะเพราะเป็นการพูดกับผู้ชายผู้กเทวดา เทวราถามประการต่อไปข้อสุดท้ายถามเรื่องยากตอนนี้เรื่องยากยอะไรหนอไม่ใช่น้าแต่เป็นเครื่องชํำระลางเพราะท่านฟังลองสังเกตว่าข้อแรกราคาบันดิตกล่าวว่าเป็นทางผิดเป็นสมุทัยสัตว์วัยสิ้นไปตามคืนและ ว, วันเป็นทุกขสัตว์หญิงเป็นบนทินของพรหมจันทร์ตัวหญิงะ่ะเป็นทุกขสัตว์ แต่ตัวจิตที่คิดกำนัดในทางเพศเนี่ยเป็นสมุทัยสัตว์แล้วก็ตราใดที่ยังมีกิเลสอยู่อย่างเงี้ยมูสัตวก็ยอดติดอยู่ในผู้หญิงนี้หรือผู้ชายนี้ทีนี้ข้อต่อไปเนี่ยเป็นมรรคศาสตร์อีกแต่ราคาตุลตะว่าอะไรหนอไม่ใช่น้ําแต่เป็นเครื่องชําระล้าง ตะบะและพรหมจัรยร์นั้นไม่ใช่น้ำแต่เป็นเครื่องชำระล้างเรื่องใหญ่เลยนะตะบะพรหมจารยร์ใ น, นเรื่องใหญ่เลยแต่ฝั่งคงนึกออกในมงคลสูตรข้อรองสุดท้ายตะโปจะพระมัจจริยันจะอริยสัจจานัตสนางนิบานันสัจิกิริยาจะเอตามังกลามุตตมังหมายถึงมักกะสัต แล้วข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นนิโรธสัจเพราะงะั้นต บ, บะนี่แปลว่าความเพียรที่แผดเผากิเลสให้เราร้อนในที่นี้หมายถึงความเพียรพยายามที่จะทำลายกิเลสเราเรียกหลา ย, ลายระดับเป็นวิริยะบารมีก็มี เป็นสัมมาวยามะก็มีแต่ตรงนี้เรียกวัตปะแต่ว่าความเพียรที่แผดเผากิเลสได้ราร้อนถ้เราสังเกตว่ามนุษย์เนี่ยมันยึดติดในกายเวทนาจิตธรรมแล้วทำอะไรเป็นเอดกิเลสยติรรอิชาโทมนาสความยินดียินร้ายก็ยึดติดอยู่ในตรงนั้นแหละ เราันถ้าเราเผาทำลายพวกพวกนี้ไม่ได้ไอการยึดติดมันก็หายไปไม่ได้ฝนยังทรงแสดงในที่นั้นว่าอาตาปีเลยนะฮะอาตาปีแปลว่าความเพียรที่เผากิเลสให้เราร้อนทีนี้ตปะคือความเพียรเนี่ยเป็นความเพียรที่เป็นไปท้งทางกายแล้วก็เป็นไปทางทางจิต มีสติสัมยาพิษเป็นเครื่องมือในการกํากับมองเห็นปัญหาที่ยังไม่เกิดชัดเจนแล้วก็ป้องกันปัญหาเล้่นั้นไว้ในขณะเดียวกันปัญหาใดที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามที่จะชัดเจ น, นว่ามันเป็นโทษอย่างบ้านเราอย่างเงี้ย เราเห็นว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้แก้หมดหรอกแต่ว่ามันน่าอยู่ขึ้นบ้านเมืองมันน่าอยู่ขึ้นเราเห็นว่าอามายามุกทุกข้อเนี่ยมีปัญหาเฉพาะตัวปัจเจกิญชนทั้งนั้นแต่ส่วนผู้ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็รวยนะเราก็ไม่ว่าอะไรหรอกเขาก็รวยแต่ว่ามันเป็นมิจฉาชีพ แต่ว่าคนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยจะเดือดร้อนวันประเทศไทยเราถ้าไปลดลดาบายามุกลงได้ลดอาชญากรรมลงได้สองอย่างเนยเอาสองอย่างก่อนเราจะแก้ปัญหาอะไรได้เยอะบางครั้งบางคราวเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจอะว่าเรื่องมันทำไมจะต้องมากมาย ก, กายกองขนาดนั้น คือเราจะต้องเข้าใจอย่างนะว่ามนุษย์เนี่ยต้องเอาใจเข้ามาเอาใจเข้ามาให้ได้การปกครองคนเนี่ยถ้ายังเอาใจเข้ามาไม่ได้เนี่ยคุณจะทำอะไรยุ่งไปหมดหละทำไม่ได้ใจอะไรอะ่ะใจอย่างยัตตการีหกท่านทรงนิพน์ไว้ใน ส, สยามานุสติเนี่ยเราเจ็นว่าใจที่รัก รักมันขยายตัวไปเป็นจุดถึงรักชาติรักมาตุภูมิรักสถาบันประมากษัตร์รักาศาสนาที่ตัวเองนะือรักเกียรติยศศักดิ์ศรีของตัวเองถ้าทำอย่างนี้ได้เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขเลยมากคือเราใช้วิธีเอาคนมาคุมคน อย่างเหตการณภาคใต้นี่ยทุ่มทหารลงไปทุ่มทหารลงไปทุ่มทหารลงไปจะมีกี่พันแหละก็ไม่รู้ตัวนี่แต่ปัญหามันไม่คลายลงอะแสดงว่าใจก็ยังไม่มาเลยแสดงว่าใจก็ยังไม่มาในตอนอื่นในเป็นช่งชวงๆนะเราจะเห็นว่าปากใต้นี่เป็นดินแดนที่น่าอยู่มาก สญญามจังหวัดภาคใต้ในี่สงบเงียบมากมันก็มีเป็นช่วงช่วงแล้วก็บางทีก็อาจจะถูกเชิดมาจากที่อื่นแต่สรุปนี่คือปัญหาที่จะต้องขจัดแล้วขจัดด้วยความพยายามในอย่างฉลาดรอบรู้และสิ่งดีงามต่างๆที่ยังไม่เกิดเนี่ย กฏยานสรางสรรพัฒนาขึ้นอุธาสาร์ในหลวงที่บ้านเนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนามาโคห้แตกนะเป็นยุธาสาร์ที่มันครอบคลุมอะไรได้เยอะแต่ต้องทาโดยปัญญาอย่าทาโดยโมหกคติอย่าทํด้วยพยาคติให้ทํด้วยปัญญาวันก่อนก็มี เขานิมนต์ไปบรรยายเรื่องพุทศานาเป็นศาสนาประจําชาติเนี่ยแล้วก็แถมเรื่องปัญหาปักได้อามาก็บอกโอ้มันมันยาวแล้วหรือพูดสรุปนิดเดียวว่าถ้าพูดมันต้องจัดกันอีกคราวหนึ่งว่าเรื่องปัญหาพระพุทธศานาเป็นศาสนาประจําชาติเนี่เอาเข้าจริงเนี่ยคนยังไม่เข้าใจว่าคำประาศา ส, าสานาคืออะไระเลยเราก็ไม่รู้จะว่ า, างไงเหมือนกัน มีคนเป็นจงวนมากในสังคมเราเนี่มองพระศาสนาเป็นพระสงฆ์แล้วมองในบมหะคติและพยาคติคือกลัวกับโง่เนี่มากโดยลืมไปว่าพระสงฆ์นะอยู่ในมาตราอื่นแล้วมาตราที่เกี่ยวกับสิทธิอะไรต่างๆของประชาชนนะ่ยมันอยู่แล้วแต่ที่ไม่อยู่เนี่ยคือพระพุทธศาสนา เพราะว่าพระสงฆ์ก็คือประชาชนน่ะเห็นไหมว่ามาตราที่ห้าเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญฉบับ40เนี่ยบอกว่าประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหลากําเนิดเพศหรือศาสนาใดเห็นไหมฮะเพศพระก็คือการเพศผู้หญิงก็คือการเพศผู้ชายก็คือการศาสนาไหนก็คือการเหลากําเนิดใดก็คือการย่อมอยู่ในความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญ น, นี้เสมอกันมันเสร็จไปแล้วตรงนั้นแหละ มันเสร็จไปแล้วตรงนั้นทีนี้ทรัพย์สินเนี่ยมันคุ้มครองในกฎหมายอาญาแล้วเพราะฉะสิ่งที่เราต้องการเทิดทูนนึ่งคือตัวาศาสนาธรรมทนยังไงว่าประเทศไทยพัฒนามนุษย์เข้าสู่อาจจะพูดโกโก้โกว่ยยุค ป, ประศีอ่านก็ได้มีอรดมการชาติ หรือสามัคคีมีวินัยฝ่ายคุณธรรมอนเนี้ยสามัคคีมีวินั ย, รรนนนนยนฝ่ายคุณธรรมกัแหละแล้วคําสอนเรื่องสามัคคีคําสอนเรื่องมีวินัยคําสอนเรื่องฝ่ายคุณธรรมเนี่ยมีในศาสนาอื่นไหมก็มีอยู่แล้วอะแล้วเราไม่ต้องใช้บาลีหรอกเราใช้คําอย่างเงี้ยจริงจริมันก็เป็นบาลีกันแหละมันปัตตะไทยมันก็บาลีเกือบทั้งหมดมันรู้จะว่าไงสามัคคีมีวินัยฝ่ายคุณธรรม สามคำเป็นโรงการชาติเลยว่าคนทุกคนต้องอยู่ในระเบียบปีไหนแล้วก็มีใส่ใจใฝ่ใจที่จะศึกษาที่จะพิจาระาพิจาปฏิบัติที่จะพัฒนาตนให้มากไปด้วยคุณธรรมไปอยู่ร่วมกันในความสมานสามัคคีเป็นโรงการชาติอะ แล้วยังนึกไปอมเสียหายอะไรเราเรียกว่าการศึกษาพัฒนาสังคมอุดมปัญญาคือปัญญาของกระทรวงศึกษายิ่งเรียนยิ่งโลภอ่ะให้กระทรวงศึกษานั่งไปชุมเันลองดูทีเอาเบี้ยไปชุมหรือเปล่ายิ่งเรียนยิ่งโลภที่คุณสอนกันเนี่ยมันยิ่งเรียนยิ่งโลภจบปัญญาโทรให้เงินเดือนปัญญาตียอาไหม จบปัญญาเอกก็ให้เงินเดือนปัญญาโทออกมามันก็ไม่เอาแต่ว่าพระที่จบปัญญาเอกเยอะปัญญาโทเยอะปัญญาตรีเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีเงินเดือนอะไรเลยแต่เขาก็ทํางานเขาได้ก็ทํางานได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่แน่นอนถ้าเขาสนับสนุนด้วยนิตยาพัตนเราไม่เรียกว่าเงินเดือนเราเพรว่ามันน้อยนิดอะ่ะมันก็ทําให้คล่องตัวขึ้น จะวันนี้เราต้องการจะพิมพ์เอกสารหนังสือเผยแพร่เนี่ยมาต้องเก็บรวบรวมมาจากจตุปัจจัยที่ญาติโยมก็ถวายในโอกาสต่างๆให้เด็กเก็บรวบรวมมาไว้พอเห็นก้อนพอพิมพ์หนังสือได้เราก็พิมพ์หนังสืออเห็นไหมนะคืออุดมปัญญานี่ต้องไม่โลภแล้วก็เสียสละด้วยอย่งเดียวอุดมปัญญาเนี่ยไม่แยกอุดมปัญญาแล้วเอาแต่โลภ ไอต้ตาบะเหล่านี้มันต้องใช้หมดใช้ในการป้องกันความชั่วกรจัดความชั่วพัฒนาความดีรักษาความดีพรหมจันทร์เป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะเป็นภาคมรรคศาสตริย์ล้วนเหมือนกันนั่นแหละ ไ, ไอต้ตบบาบะนี่ก็หนึ่งในพรหมจันทร์ตาบะนี่ก็คือหนึ่งในพรหมจันทร์พรหมจันทร์คือการเจริญกุศลทั้งหลายอะไรก็ได้ ตั้งแต่การให้ทานการช่วยเหลือขนขวายกันในกิจการงานที่ชอบชิควรการแสดงความความ อ, อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ปัญญาก็มีปฏิวัติคือซื่อสัตย์ต่อสามีสามีก็มีสตารสันโดดคือยินดีในสามีตัวเองแล้วก็รักษาศีลห้ารักษาศีล8ปมีพรหมหารสีหรืออัปปมัญญา4ี แล้วก็ไปอาริมักไปองแปตลอดถึงศาสนาพรหมจันทร์ทั้งหมดนั่นแหละคือแต่ละอย่างเนี่ยมันมันพูดง่ายๆว่าทําความดีทั้งหลายอย่าไปติดอย่าไปนับไปเลยเสียเวลาทําความดีทั้งหมดที่เป็นพรหมจันทร์พรหมจันทร์คือการประพฤติตนเป็นผู้ประเสริฐประพฤติตนอย่างประเสริฐประพฤติตนอย่างดีเลิศเราก็เรียกว่าเป็นพรหมจันทร์ เพราะงั้นเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นเรื่องจำราลางจำราลางอะไรล่ะมักก็จำราลางสมุทัยเห็นไหมพวกนี้น้ำไม่ใช่น้ำแต่มันจำราลางจำราลางกิเลสจำระลางราคะจำราลางโลภะจำราลางโทสะจำระลางโมหะ แม้แต่ทานอย่างเดียวนี่เราก็เห็นเราช ำ, ชำระล้างทั้งโมหะทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งด ا ีทานอย่างเดียวซีนี้ทำระล้างก็พวกนี้เหมกันเดมเข้มข้น ม, มากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนี่ก็คือเป็นหลักการที่ทรงสื่อสารโดยวิธีหนึ่งคือเ็าถามมาก็ทรงตอบไป แต่ท่านฟังโปรดทั้งเกตว่าทั้งหมดคืออริยสัจ ท, ทั้งสี่ะการในภาคกองสนามคือภาคกองการปฏิบัตินั้นจะยึดโยงต่อ ก, กันและจะเป็นกระบวนหนุนช่วยซึ่งกันและกันตลอดไปต้องฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมาวิตรัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี